บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการยกนามรูปขึ้นพิจารณาให้เห็นความจริงแห่งนามรูปตามพระจัยลักษ์คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ซึ่งได้แสดงมาโดยลำดับนั้นเมื่อเข้ามาถึงจุดหนึ่งบุคคลจะมีความเห็นที่บริสุทธิต์ตามความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายสามารถที่จะขจัดความสงสัยในเรื่องของชีวิตในส่วนที่เป็นอดีต5อย่างดังที่ได้กล่าบมาแล้ว ก็ตแต่นั้นจะสามารถขจัดความสงสัยในส่วนที่เป็นอนาคตทอย่างว่าเราจะมีในอนาคตอีกหรือไม่หรือว่าเราจะไม่มีเรามีแล้วเราจะเป็นอะไรเรามีแล้วเราจะมีสุขทุกขอย่างไรต่อจากชาตินั้นเราจักเป็นอะไรอีก ซึ่งความหมายโดยสรุปก็คือว่าเราจะต้องเกิดอีกหรือว่าไม่เกิดอีกถ้าเกิดอีกเราจะเกิดเป็นอะไรแล็กมาเกิดแล้วจะมีสุขทุกข์เป็นอย่างไรและตายจากชาติโน้นต่อไปเราจะเกิดเป็นอะไรอีกซึ่งความสงสัยในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่ามีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้ใดไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกๆคนจนมีความเข้าใจกันว่าปัญหาเกี่ยวกับโลกหน้าหรือปรโลกนั้นเป็นปัญหาโลกแตกมีการสอบถามมีการอธิบายมีการเขี ย, ขยนแสดงหลักฐานกันโดยประการต่างๆซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วน่าจะยุติความสงสัยในเรื่องเหล่านี้ลงไปได้ แต่เนื่องจากบุคคลไม่ได้ใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาปรับจิตศึกษาความจริงมาโดยนิยัตที่กาวแล้วความสงสัยในเรื่องของชาติหน้าเรื่องของสัมปรายภพก็คงมีอยู่สราบนันนข้อนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลได้ศึกษาได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้าได้พิจารณาไตรซองไปตามธรรมที่ทรงได้แสดงเอาไว้ ในชั้นสามัญทั่วไปบุคคลก็จะปรับจิตให้ยอมรับความจริงถึงการสัสรูของพระพุทธเจ้าว่าพระพุมีพระภาคเจ้านั้นทรงประกอบด้วยอนาคตัางสยานคือมีพยานรู้การอนาคตภายภาคหน้าของพระองค์เองและของบุคคลอื่นโดยทองแท้ได้ทรงแสดงเรื่องของโลกหน้าไว้เป็นอนเน ก, กประยาย เช่นทรงแสดงในรูปการกระทำของบุคคลว่าสัตว์วางจำพวกเกิดในคันสัตย์ที่ทำบาปรกรรมเอาไว้บังเกิดในนรกสัตย์ที่ทำความดีเอาไว้บังเกิดในสุคติแต่ท่านผู้หมดอาสวะกิเลสย่อมปรินิพานอย่างนี้ซึ่งในกรณีนี้เมื่อบุคคลได้พิจารณาตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานมาถึงจุดนี้ ก็จะเข้าใจในเชิงเหตุปัจจัยถึงความแตกต่างแห่งชีวิตสี่รูปแบบที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าคนประเภทที่เกิดในคันนั้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดในส่วนของกิเลสก็คือวิชาตันหาอุปาทานกรรมปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยส่วนที่เป็นนามธรรมและตัววิชาตันหาอุปาทานซึ่งเป็นฝ่ายของกิเลสนั้น เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญประการแรกคือถ้าหากว่ากิเลสเหล่านี้อ่อนลงมีความเข้มข้นไม่จัดมากจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะมีเหตุมีผลในการดำรงชีวิตสามารถประกอบกิจคือกรรมให้เป็นไปในทางที่เป็นกุศลได้ความประนีตในด้านจิตใจก็บังเกิดขึ้น เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้ตายไปแล้วก็จะบังเกิดในกำเนิดที่เหมาะสมแ ก, ก่กรรมและความเข้มข้นแห่งกิเลสของตนซึ่งข้อนี้ได้ทรงแสดงกำเนิดของชีวิตสัตว์โลกเอาไว้เป็นสี่กำเนิดคือเกิดใ น, นคันเกิดในไข่เกิดในของสกรปรกและเกิดโดยโอปปาติกะคือเกิดโดยผุดขึ้น จึงจะเห็นได้ว่าในกำเนิดทั้งสี่นั้นกำเนิดสามประเภทแรกบุคคลสามารถพบเห็นกันได้ในที่ทั่วไปแสดงเห็นว่าด้วยปัญญาสามัญธรรมดาธรรมดานี้บุคคลสามารถรู้กำเนิดต่างๆได้ถึงเจ็้าเปอร์ซแต่ว่าอีกกำเนิดหนึ่งนั้นเป็นกำเนิดที่ทรงแสดงปัจจัยการรู้ปัจจัยการเห็นเอาไว้ ในเมื่อเรายังไม่มีปัจจัยการรู้การเห็นกำเนิดเหล่านั้นแต่เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ปรับใจให้ยอมรับในส่วนนี้ซึ่งเป็นความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในมิจฉาทิฏฐิทั้งสิบประการที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นมีข้อหนึ่งทรงแสดงไว้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ว่านัติสตาโอปปาติกาคือสัต ที่เกิดโดยกำเนิดโอปปาติกะไม่มีนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิดะนั้นการยอมรับนับถือในธรรมนองตรงกันข้ามก็เป็นการปรับจิตใจของตนเองให้อยู่ในคันลองแห่งสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอินชอบโดยอาศัยความเชื่อที่มีเหตุมีผลยึดมั่นอยู่ในหลักของตถาคตโพสทธาคือเชื่อปัญญาเครื่องสัจะของพระพุทธเจา้าความเชื่อในชั้นนี้ก็อานวยผลให้ มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการควบคุมกิเลสควบคุมอารมณ์ของตนเอาไว้เพื่อไม่ให้อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมได้เชื้อที่จะเพิ่มความเข้มข้นให้สูงขึ้นภายในจิตใจมากเกินไปเพราะเมื่อกิเลสเหล่านี้มีปริมาณสูงขึ้นภายในจิตใจอวิชชาเพิ่มขึ้นก็ให้เกิดความมืดบอดสูงขึ้นภายในจิตสานึก สร้างความสับสนความเครือบแคลงสงสัยให้มากเทวียิ่งยิ่งขึ้นไปตัณหาบังเกิดขึ้นบังคับใจให้สายไปในอารมณ์ทั้งหลายมีการกระสิบกระซาบใจหาความสงบให้แก่จิตใจไม่ได้แม้จะเพียงพยายามตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นด้วยแรงตัณหาก็ไม่อาจที่จะตอบสนองให้เต็มให้อี่มได้อุปาทานที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจะก่อให้เกิดเป็นความยึดความติดในสิ่ ง, งต่างๆ ไม่สามารถปล่อยวางได้เป็นการแบกภาระเป็นการแบกโลกแบกขันเอาไว้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการแบกของหนักๆเอาไว้บุคคลสามารถมองเห็นได้แต่เมื่อบุคคลปล่อยวางไอ้สิ่งที่แบกลงนั้นหรือแบ่งให้เบาๆลงไปอาการหนักก็จะเบาลงไปจิตใจที่ถูกครอบงําด้วยอํานาจของอุปาทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลมีหลักความเชื่อมัน่น ในความสัตย์สุขของพระพุทธเจ้าแล้วเกรนว่าอะไรควรปล่อยควรวางควรละควรเว้นจะบ้างก็มีการปล่อยการวางการวกการละการเว้นไปตามสมควรแก่กรณีถึงแม้จะแบกอยู่บ้างก็ไม่หนักจนเกิดไปแต่เมื่อจิตใจมีความเบาบางจากอำนาจของกิเลสดังกล่าวแล้วกรรมที่บุคคลกระทำลงไปทั้งทางกายทั้งทางวจาทั้งทางใจ ก็จะประกอบด้วยกุศลมากกว่าอกุศลซึ่งอํานวยผลให้เป็นความสุขแก่บุคคลทั้งในปัจจุบันทั้งในภายภาคหน้าดังนั้นเรื่องของสัมปรายพภายภาคหน้าในชั้นของภาษาธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ในชั้นของวิปัสสนากรรมฐานที่พิจารณาในเชิงของเหตุปัจจัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นรูปของภาษาทั่วไปที่คนฟังแล้วเข้าใจได้ เช่นว่าเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมบังเกิดในทุกติวินิบาตในโลกอสุรกายเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงพรหมโลกซึ่งจะเห็นว่าตราบใดที่เหตุปัจจัยทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายกิเลส ก, กับฝ่ายกรรมยังมีอยู่ตราดนั้นการอุบัติในสังสารวัฏ ด, ด้วยแรงของกิเลสแต่กรรมก็จะต้องมีอยู่ แต่เนื่องจากความเข้มข้นของกิเลสมีความแตกต่างกันทำให้กรรมที่บุคคลกระทำแตกต่างกันไปตามพื้นใจซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆจึงมีการจำแนกแบ่งแยกโดยพบโดยภูมิโดยคติเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้คือชั้นที่หยาบก็ถือว่าความเข้มข้นของกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมแรงเมื่อกระทาออกไป ก็แกทําเป็นทุจริตทางกายบ้างทางวาจาบ้างทุจริตมีปริมาณมากทําให้บุคคลเหล่านั้นบางเกิดในทุกขติวินิบาตอสุรกายดีรฉานเป็นต้นซึ่งกําเนิดแต่ละอย่างนั้นกรรมเป็นตัวจําแนกเป็นตัวแบ่งแย ก, กให้บังเกิดขึ้นถ้าถามว่ากรรมมันเกิดขึ้นอะไรมันก็เกิดขึ้นมาจากความเข้มข้นหรือความเจือจางของกิเลสที่บุคคลมีอยู่ภายในใจนั่นเองจากกิเลสจาง กรรมก็เป็นกุศลมากถ้ากิเลสเข้มข้นสูงกรรมก็เป็นอกุศลมากเพราะในขณะที่กิเลสจางลงนั้นเองธรรมะก็เพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคลไปควบคุมจิตใจของบุคคลไว้ทําให้กรรมเป็นกุศลก็ให้เกิดผลเป็นสุคติในชั้นของกรรมโดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่ากรรมนั้นเป็นชั้นของสมาธิเป็นชั้นของฌานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสูงสุดใน สังสารวัตก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นบางเกิดในพรหมโลกดังนั้นเรื่องของสังสารวัตรจึงมีตั้งแต่ระดับพระนาคามีลงมารวมเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าสัมภเวสีคือบุคคลยังต้องเกิดอยู่ในสังสารวัตรอย่างน้อยกว่าชาติแต่ปัจจัยประการต่อไปที่ทรงแสดงว่าท่านผู้หมดอาสวะกิเลสย่อมประนิพันธ์ ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยคือกรรมนั้นคือกิเลสนั้นได้ถูกทำลายไปหมดสิ้นแล้วเมื่อกิเลสได้ถูกทำลายไปกรรมที่ท่านกระทำก็เป็นเพียงกิริยาเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดผมผลเป็นการบังเกิดในสังสารวัฏเข้าในทํานองของมเมล็ดพืชซึ่งทรงอุปมาไว้ในมหาตันหาสังกยสูตรเป็นทํานองที่เห็นว่า ปัจจัยคือมเมล็ดพืชจะงอกหรือไม่งอกกันอยู่ที่ปัจจัยหลักสามประการด้วยกันคือกิเลสจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามในที่นี้เรียกอวิชาตัญหาอุปาทานมีลักษณะเหมือนอย่างเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชกรรมมีลักษณะเหมือนกับอุณหภูมิที่เหมาะสมอำนวยพืชงอกได้วิญญาณมีลักษณะเหมือนหนอกของพืช เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองมาในเหตุปัจจัยของการมีพืชพันธ์แห่งต้นไม้ทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างว่าต้นมะม่วงหรือมะพร้าวมะม่วงหรือมะพร้าวนี้จะมีต่อไปในอนาคตหรือไม่มันก็ดูกันที่ตัวปัจจัยวพราถ้าปัจจัยคือย่างเหนียวในมเมล็ดพืชมีอยู่มเมล็ดพืชเหล่านั้นได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนกก็ต้องแตกขึ้นการสืบต่อของมเมล็ดพืชเหล่านั้นในอนาคตก็ต้องมีอยู่ แต่ถ้ามเมล็ดพืชเมลด็ดใดก็ตามนอหรืออย่างเหนียวอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถูกทําลายไปมเมล็ดพืชเหล่านั้นก็จะไม่งอกแต่ในขณะเดียวกันพืชเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่เพียงมเมล็ดเดียวมเมล็ดนี้ไม่งอกมเมล็ดอื่นนั้นยังมีเหตุปัจจัยให้งอกอยู่แกก็ ง, งอกของแกออ่อยู่ด้วยสัตว์โลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสตัตว์โลกนั้นมีคนเป็นอันมาก ที่ทำลายอาสวะกิเลสให้หมดไปได้ชีวิตในชาติต่อไปของท่านก็ไม่มีเพราะปัจจัยแห่งสังสารวัฏในอนาคตของท่านไม่มีอีกดังนั้นพยานของพระพุทธเจ้าและยานของพระอาหารหันต์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านได้กระทำให้หมดอาสวะโดยสิ้นเชิงแล้วพระพุทธเจ้าเองก็เกิดยานขึ้นมาภายในประไทย อย่างที่ได้ทรงแสดงว่าก้อแรงยานความรู้ได้บังเกิดขึ้นแกเราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีทำไมชาติของพระพุทธเจ้าจึงสุดท้ายทำไมพบต่อไปของพระพุทธเจ้าไม่มีก็เพราะปั จ, จัยแห่งชาตหน้าของพระองค์ไม่มีดังที่กล่าวไปแล้อาสวะกิเลสทั้งหมดที่เรียกว่าวิชาตันหาอุปาทานในที่นี้ก็หมดไป หมดไปกรรมก็เป็นสักแต่ว่ากิริยาดังกล่าวชาติของพระองค์ก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายพบไปว่าจะเรียกพบอย่างไรก็ตามจะกามมาพบรูปประพบอรูปปพบนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นของกิเลสกับของกรรมเมื่อกิเลสสิ้นกรรมก็สิ้นบางคราวจะพูดกลับไปว่ากรรมสิ้นก็เพราะกิเลสสิ้นก็ได้แต่สรุปว่าปัจจัยทั้งสองประการนี้เมื่ออย่างหนึ่งหมดอย่างหนึ่งก็ต้องหมดตามไป ก็คล้ายๆกับไฟกับใส้ตะเกียงกั บ, กบเปลวไฟเมื่อปัจจัยของแสงสว่างหมดไปเช่นน้ํามันหมดใส้หมดเปลวไฟก็ต้องหมดตามไปแต่ในขณะเดียวกันเปลวไฟนั้นไม่หมดไปจากโลกเพราะเปลวไฟยังมีปัจจัยในที่อื่นๆในจุดอื่นๆที่จะก่อเป็นแสงสว่างลุกไหม้ยอยู่ในสถานที่ต่างๆอีกโลกชีวิตของคนเรามีลักษณะอย่างนี้ เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในชาติหน้าซึ่งประรอชาติหน้าทั้งห้านัยยะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นพอเราจะเกิดอีกหรื อ, รอไม่ในชั้นของวิปัสสนาในชั้นของกังขาวิตรณาวิสุทธ์คือความหมดจดแห่งความรู้ที่กระจัดความสงสัยในชาติหน้าออกไปได้จะไม่มองในแง่ดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะแง่ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นแง่าภาษาธรมาธรมดาธรรมดาแต่จะมองในแง่ของเหตุปัจจัยมีการวิเคราะห์มีการสวจสอบตัวเองในขณะนั้นๆว่าภายในใจของเรานั้นยังมีอวิชชาอยู่ไหมเรายังมีความไม่รู้ในอริสัต์ในอริยสัจทั้งสี่ด้วยญาณไหมเรามีความไม่รู้ในอดีตในอนาคตทั้งอดีตอนาคตปฏิจจสมุปบาทหรือไม่ถ้ายังไม่รู้ ยังมีวิชาอยู่แม้เพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นก็แสดงว่ากิเลสนั้นยังไม่ได้หมดไปจากจิตใจเพื่ อ, อ จ, จะตรวจสอบในจุดของตัณหาว่าจิตใจของเรานั้นมีถูกบงการบังคับบัญชาด้วยตัณหาหรือไม่ความกระสันอยากในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นโดยธรรมหรือว่าโดยตัณหาบุคคลก็จะมองเห็นจิตใจของตนได้อย่างชัดเจนว่า ปัญหานั้นยังมีอยู่ส่วนจะมากหรือน้อยก็ตามย่อมเป็นปัจจัยแห่งพทั้งนั้นในด้านอุปาทานก็จะเห็นได้ว่าถ้าอุปาทานยังมีอยู่ความยึดติดในขันธ์ห้ายังมีอยู่ความยึดติดในความเป็นเราความเป็นของเราความเป็นตัวตนของเรายังมีอยู่แสดงว่าปัจจัยของสังสารวัฏยังมีอยู่การกระทําทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและแม้ความคิดซึ่งปรากฏภายในจิตใจของเรา ก็จะปั่นไปตามครองของกิเลสเหล่านั้นเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นปัจจัยของปุพเพ ะ, ะนั้นชาติหน้าต้องมีความคิดที่ว่าชาติหน้าไม่มีก็ถูกกระจัดไปเพราะเหตุปัจจัยของชาติหน้านั้นมีอยู่ทีนี้อาการจะคิดในตอนต่อไปว่าถ้าเราจะเกิดในชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรปัญหาข้อนี้คนก็มาวิเคราะห์ที่กรรมคือการกระทําของตน ในชีวิตประจาวันซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าบุคคลปฏิบัติบาเพ็ญเพียรไปจนถึงจุดของฌานเป็นการกาหนดพบไว้ชัดเจนมากคือคนเหล่านั้นจะต้องบังเกิดในพรหมโลกเป็นการตายตัวเลยเพราะฌานนั้นเป็นคารุกรรมฝ่ายกุศลหรือฝ่ายความดีแต่ถ้าหากว่าทำกรรมรุนแรงที่เป็นอนันตยกรรมซึ่งเป็นกรรมหนักฝ่ายอกุศล ก็รู้พบชาติได้ว่าจะต้องเกิดในอบายทุ ก, กติปินิบนัตินรลกทีนี้ในกรณีที่กรรมไม่แน่นอนคือกุศลก็มีอยู่พอประมาณอากุศลก็มีอยู่พอประมาณถ้าบุคคลคิดว่าตนจะต้องเกิดในสังสารวัฏขจัดความสงสัยในเรื่องนี้ออกไปได้ในความฉันทะอุตสาหะที่จะรีบเร่ง ประกอบกรรมที่เป็นกุศลเพื่ออำนวยผลให้เป็นความสุขแก่ตนทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าก็จะบังเกิดขึ้นการนำรงชีวิตจากช่วงนั้นไปจะเป็นเรื่องของการพยายามบรรเทาอากุศลลงไปโดยลําดับในขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มพูนส่วนที่เป็นกุศลความดีขึ้นก็เป็นการกําหนดภพชาติลงไปตามนัยยะที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าบุคคลผู้ กุศลเอาไว้ย่อมบังเกิดในสุคติแต่สุคตินั้นไม่ใช่ว่าแน่นอนลงไปว่าจะเป็นสุคติชั้นใดข้อสําคัญว่าให้เป็นสุคติก็ได้กันทีนี้ปัจจัยอีกประการหนึ่งนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมนั้นซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญมากในกรณีที่ที่ไม่มีอกุศลแกรรมอย่างแรงคืออนันตเรียกรรมและไม่มีกุศ ล, ลกรรมอย่างหนะักคือชาต ตัวแปรเหล่านั้นก็คือเรื่องอาสันนกรรมได้แก่กรรมเมื่อจวนจะตายซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตสำนึกของบุคคลทางศาสนาถือว่าเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากคนบางคนทำความดีมาเป็นอันมากเช่นพระนางมาริกาเทวีพร ะ, ะอาครมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเป็นศรีคนแรกและคนเดียวที่ทาบุญประเภททานได้ยวดยิ่งกว่าคนทั้งหลายในโลกนี้ จิตใจท่านสะอาดเกินไปมีความรังเกยียจขยะขยงแม้แต่เรื่องเพียงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นจิตตุปบาทก่อนที่จะดับของท่านแทนที่จะปเป็นเหนี่ยวเอาอากุศลเหนีน่ยวอกุศลและกรรมที่ท่านกระทำเอาไว้ท่านกลับเปเหนียวเอาอากุศลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองดับจิตไปบังเกิดในอบายอยู่ช่วระยะเวลาหนึ่งทังนี้ถือว่าเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับคนขับรถไปในขนทาง เมื่อตัดสินใจเลี้ยวผิดมันจะเลี้ยวผิดอยู่ระยะหนึ่งแต่จะนึกขึ้นได้ก็กลับมาได้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ถนนนั้นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดไม่รู้ขนทางอย่างชัดเจนก็จะเลี้ยวไปเมื่อเลี้ยวผิดไปแล้วก็จะไปได้ไกลมากบางครั้งบางคราวนึกไม่ออกก็อาจจะหลงทางอย่างนั้นเป็นเวลานานก็ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของาศาสนา จึงพยายามที่จะให้บุคคลทำส่วนที่เป็นกุศลเป็นอาจินกรรมคือทำกันจนเคยชินนึกได้ส ง, งบใจจากอำนาจของอกุศลได้โดยอัตโนพัตในขณะนั้นกายก็อ่อนจิตก็อ่อนถ้าหากว่าพื้นจิตของบุคคลมีความสับสนอยู่กุศลมีอำนาจไม่แรงกล้าพอแล้วอกุศลก็จะเกิดขึ้นท่วมทับจิตใจได้ง่าย เพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของบุคคลผู้ต้องการสร้างเหตุปัจจัยแห่งอนาคตให้มีความประนีตและก็มีความมั่นใจได้ว่าสามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนเองได้ในขณะที่ดับจิตก็ต้องอาศัยการกระทาบ่อยๆ อ, อย่างที่เคยกล่าวว่าภาวิตาโพลิกต า, า, ตามีการอบรมมีการกระทาให้มาก สร้างความเสพคุณกับกุศลธรรมทั้งหลายสามารถที่จะเหนียวนึกถึงอ ก, กุศลเหล่านั้นได้ในทันทีทันใดเมื่อเป็นเช่นนี้พบชาติที่จะมีในอนาคตภายภาคหน้าก็จะประณีปัญหาที่เกิดขึ้นอีกข้อหนึ่งว่าเมื่อเราเกิดแล้วเราจะมีสุขทุกอย่างไรข้อนี้ก็จะบอกได้ด้วยแรงความที่บุคคลได้กระทําเอาไว้ โดยนัยยะที่เคยกล่าวในประเภทของกรรมที่เกี่ยวกับโลกหน้าเอาไว้ว่ามันจะมีลักษณะเป็นประเภทชนุกรรมคือกรรมที่แต่งให้เกิดในภพในชาตินั้ น, น, นต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าชนุกรรมเป็นกุศลจะมีอุปถรมประกรรมคือกรรมสนับสนุนที่เป็นกุศลมันหนุนส่งให้ดีขึ้นถ้าชนุกรรมเป็นอกุศลก็จะมีอุปถรมประกรรมฝ่ายที่เป็นอกุศลเข้าสนับสนุนให้ตกต่ำยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีกรรมตรงกันข้ามกับกรรมทั้งสองประเภทแล้วเข้ามาเบียดเข้ามาทําให้อํานาจอิทธิพลของกรรมสองประเภทแรกนั้นเบาบางลงไปและในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีกุศ ล, ลกรรมหรืออกุศ ล, ลกรรมชนิดแรงอยู่มีกําลังมากพอที่จะเข้ามาตัดผลของชนกกรรมได้นั้นก็เป็นเรื่องขบวนการของกรรม ที่บุคคลสังสมอบรมไว้ในพบในชาติต่างๆเป็นจันนมากเพราะฉะนั้นในแง่ของกระบวนการแห่งกรรมแล้วจะพบว่าด้วยวิบากขันที่เหลืออยู่แม้ของพระพุทธเจ้าและของพระสารทั้งหลายท่านก็ยังต้องประสบผลแห่งอกุศลและกรรมเหล่านั้นตราเท่าที่วิบากขันคือร่างกายชีวิตสุดท้ายของท่านจะแตกดับไปตามธรรมดาของสังการ เพระาะฉะนั้นปัญหาการหาคําตอบเรื่องความสุขความทุกข์ในสัมปรายจะพบภายภาคหน้าบุคคลก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยพิจารณาดูที่กรรมในปัจจุบันของตนจะเป็นตัวกําหนดชีวิตในอนาคตท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนั้นเป็นตัวส่องให้เห็นอนาคตได้อย่างชัดเจนอย่างบุคคลมีความหมั่นขยันในการประพฤติปฏิบัติธรรมะในปัจจุบัน มันขยันในการศึกษาแล้เรียนประกอบกิจการงานถูกตรงตามหลักธรรมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่ น, นเดือดร้อนเป็นการบ่งฐานะในอนาคตของตนได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตในอนาคตของตนนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขความส ง, งบไม่มีความเดือดร้อนในการครองชีพในการตัดสินต่างสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้น ในการที่จะคุ้มครองรักษาตนให้ปลอดพ้นจากภัยเวรซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำบาปกระทำอคุศลต่างๆส่วนการเลงไปถึงในชาติต่อไปนั้นบุคคลก็จะมองกันในแง่ของเหตุปัจจัยในตอนต้นและสามารถกำหนดสุขทุกข์ด้วยกฎของกรรมโดยนัยะที่กล่าวมาแล้วได้ดังนั้นความสงสัยในเรื่องอนาคตที่มักจะพูดกันว่าถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงหรือว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เป็นต้น เมื่อบุคคลในพิจารณาสิ่งทั้งหลายในแง่ของเหตุปัจจัยก็จะมองเห็นสิ่งทั้งหมดในอนาคตในแง่ของเหตุปัจจัยในชั้นนี้แม้จะไม่ถึงกับบังเกิดเป็นอนาคตังสยานคือยานรู้ชีวิตในอนาคตก็ตามแต่ก็จะปรงใจมองเห็นกระบวนการทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยได้และมองเห็นเหตุปัจจัยได้อย่างชัดชัดเจนว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุข อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ในชั้นที่ตนยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็เพียายามสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขให้เกิดขึ้นโดยลําดับซึ่งผลของเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความสุขนั้นบุคคลสามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันด้วยสามารถสัมผัสได้ในสัมปรายภพภายภาคหน้าด้วยซึ่งเป็นกรรมประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอัปปราปะระเวทนิยกำ คือกรรมที่จะให้ผลแก่บุคคลในพบที่สืบสืบกันไปโดยลำดับพบแล้วพบอีกจนกว่ากรรมนั้นจะหมดสิน้นในชั้นของการปฏิบัติเพื่อยุติสังสารวัตรด้วยการมองเห็นชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการเห็นความเกิดทุกรูปแบบตกอยู่ในอำนาจของประไตรลกักษณิจังทุกขังอนัตตาบุคคลก็จะมุ่งทาลายเหตุปัจจัยเคอวิชาตหาอุปาทาน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่นำชีวิตของบุคคลให้บังเกิดในสังสารวัฏเมื่อกิเลสเหล่านี้ได้ถูกละได้ถูกบรรเทาให้เบาบางลงไปพบชาติก็ประณีตขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปก็เข้าถึงภาวะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายท่านได้สัมผัสมาแล้วความสงสัยในเรื่องของสังสารวัฏแห่งบุคคลที่เกิดขึ้นด้วยการพิจารณา ตามหลักของวิปัสสนานี้จึงอำนวยผลให้เกิดขึ้นในชั้นของการตกแต่งภพชาติให้ประนีตจึงขึ้นและในชั้นของการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อการบรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสตรานันดังที่ได้กล่าวมานี้ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป